ทุกเชา้าทุกเย็นนะเราก็สวดมนต์รมวัดร่วมกันวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการทำวัดสวดมันก็คือเพื่อตอกยำ้ำหรือปลูกศรัทธาในพระรัตนไตราให้มั่นคงยิ่งขึ้นศรัทธานี่เป็นสิ่งสำคัญนะในการปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิตนะเพื่อให้ไปถึงจุดหมายดีงาม น, นะที่เราปรารถนาถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มกำลังนะโดยเฉพาะด้านจิตใจเนี่ยไม่ให้ขาดหายไปนะสธานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอินทรีย์ห้านะหรือพละห้า พลังนี้ก็หมายถึงกำลังนะกำลังใจของเรานะเป็นสิ่งสำคัญนะในการประพฤติปฏิบัติและศรัทธานี้ก็จะเพิ่มพลังให้กับจิตใจของเราได้แต่ว่าศรัทธานี่ก็ไม้จะเป็นศรัทธาในพระนักตรัยก็ต้องเป็นศรัทธาที่ถูกต้องนะเพราะว่าศรัทธาเนี่ย อาจจะเพี้ยนนะหรือว่าอาจจะคลาดเคลื่อนได้ศรัทธาที่เพี้ยนหรือว่าผิดพลาดเนี่ยที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือศรัทธาที่นำไปสู่ความงมงายนะที่งมงายนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไปไปเชื่อนะไปเชื่อแบบศิโรราบ โนะดยเฉพาะกับบุคคลนะคนใดคนหนึ่งเชื่อแบบเรียกว่าไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญานะเขาจะพาไปไหนก็ไปแม้กระทั่งจะพาไปตายก็ยอมอันนี้ก็มีอยู่บ่อยๆนะศรัทธาในตัวบุคคลจนกระทั่งยอมตายเพื่อเขา หรือว่าเขาจะชวนให้ไปตายก็ได้อย่างเมื่อสักสามสกว่าปีก่อนก็มีกลุ่มที่เรียกว่าลทัทธิหนึ่งนะเขาไปไปตั้งเมืองใหม่นยอยู่แถวาทางอเมริกากลางแล้พวกนี้เป็นคนอเมริกันนะตอนหลังก็อยากจะไปสร้างเมืองใหม่ ศาสดาเขาเียชื่อจิมโจนสะ์เขาก็ผู้คนที่เป็นสาสนิ์ก็ข้างใครไหลหลงมากนะจนกระทั่งวันดีคืนดีนะศาสดาเขาก็ทั่วลูกศิษย์สาสนิ์ทั้งหลายให้ไปตายนะกินยาค่าตัวตายนะคนพวกนี้ก็ยอมนะ เรียกว่าตายหมู่ก็เป็ น, เ ป, นเป็นร้อยเป็นพันเลยอันนี้ก็เป็นผลของศรัทธาที่งมงายแบบหนึ่งหรือบางทีาศาสดาก็สั่งให้สาวกไปไปพรีชีพนะไปพรีชีพเพื่อลทัทิอุดมการของตัวไปฆ่าคนอื่นไปก่อการร้ายฆนะ่าผู้บริสุทธิ์ ก็ไปกันนะยอมตายโดยที่ไม่ได้มีวิจารณญาณว่ า, าสิ่งที่สั่งไปนั้นเนี่ยมันถูกหรือผิดอันนี้เรียกว่าศรัทธ า, าแบบงม ง, งายนะแต่บางทีมันก็ไม่ใช่ถึงขั้นอยอมตายถวายชีวิตนะแต่อาจจะเป็นการหลงแบบ ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเพียงเพราะว่ามีศรัทธาแล้วก็เขาสั่งให้ทำอะไรก็ทำนะบางทีก็ถูกเขาหลอกใช้นะหลอกเอาเงินไปนะเพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้ที่ประกาศตัวเป็นศาสดาแบบนี้ก็เห็นอยู่บ่อยๆนะแม้กระทั่งในวงการสงฆ์ในวงการพุทธศาสนาอันนี้ก็ศรัทธาแบบงมนาย นะเป็นการไปผูกติดอยู่กับตัวบุคคลนะโดยที่ไม่ได้ตะหนักนะว่าอะไรถูกอะไรผิดนะศรัทธาที่ดีนะเป็นศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญานะเรียกว่าศรัทธายาณสัะยุตนะไม่ใช่เป็นการาเชื่อตะพุ่ตะพือนะแต่ว่า รู้จักใช้ปัญญาในสายพุทธการเนี่ยมีอุบาสกคนหนึ่งเป็นข้าบาดีนะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะโดยพอเมื่อพระเจ้าเนี่ยได้ตรัสสอนนะเรื่องไตรลักษณ์อันิจจังทุกครั้งอนัตตาท่านก็มีดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระโสดาบันแล้วก็เรียกว่า มีศรัทธานแน่นแฟ้นะในในพระพุทธเจ้าแล้วก็ในพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของพระโสดาบันนะเป็นศรัทธาที่ไม่ค่อนแคลนพอพระเจ้าเนี่ยสเสด็จกลับเนี่ยมานเนี่ยนะมานเขเห็นว่าข้าบดีคนนี้เนี่ยนะกำลังจะหลุดพ้นจากอํานาจของมานนะมานก็ไม่ยอมจะพยายามนะดึง หรือล่อลวงให้ค้าบดีท่านนี้เนี่ยหันมาอยู่ในอำนาจของมารนะวิธีกายก็คือปลอมตัวนะเป็นพทธเจ้านะมานี่มีฤทธิ์นะสามารถที่จะแปลงกายได้แปลงกายเป็นพระเจ้าแล้วก็มาหาค้าบดีคนนี้ข้าบดีคนนี้ก็ทีแล้วก็แปลกใจว่าพระเจ้าพึ่งเสด็จไปมีธุระอะไรนะถึงเสด็จกลับมา มาซึ่งแปลงการพูทเจ้าก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยสอนผิดนะที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างนะที่เป็นอันนี้อางทุกขขังอรัาตามีบางอย่างนะที่ไม่ใช่แค่เที่ยงเป็นสุขเท่นั้นยังเป็นอัตตาด้วยนะเรียกว่ามาหลวงให้เกิดมิจฉาทิฏฐิข้าพอดีท่นนี้เนี่ยนะแม้ว่าจะมีศรัทธานในพุทธเจ้าเนี่ยขนาดนั้นนี่ก็เชื่อเลยนะว่าผู้ที่อยู่ข้างหน้านี่คือพุทธเจ้า แต่ว่ามาไตรตรองดูก็ถูกคิดไว้พุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนคานะพงศ์สอนอย่างไรก็สอนอย่างนั้นแหละไม่เคยเปลี่ยนนะมาว่าเมื่อกี้สอนผิดนะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะที่ปรากฏข้างหน้านที่เป็นพุทธเจ้าไหมและที่สำคัญคือว่าท่านนี้ก็ได้เห็นด้วยปัญญาแล้วว่าสิ่งทั้งปวงนะมันไม่ มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนท่านเห็นด้วยปัญญาก็เลยแน่ใจว่าคนที่มาสอนมาบอกข้างหน้านี่ไม่ใช่พุทธเจ้าเพราะสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยมันต้องเป็นธรรมะเป็นความจริงแต่ว่าสิ่งที่อผู้ที่อยู่ข้างหน้านี้มาบอกเรานี่มันไม่ใช่ก็เลยแน่ใจว่าเนี่ยไม่ใช่พุทธเจ้าแน่ เราก็เลยคิดต่อบว่าคงจะเป็นมากระมังนะก็เลยพูดท้วงไปนะก็กลายเป็นว่ามาเนี่ยจะมาหลอกไม่สําเร็จนะผิดแผนอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะักขณะมาเ น, นี่มาแปลงกายพุทธเจ้าเนี่ยมัโสดาบันหรือข้าบดีทท่านนี้ยังไม่เชื่อเลยนะไม่ใช่เพียงแค่เห็นรูปร่างหน้าตาเป็นพุทธเจ้าแล้วก็จะเชื่อไปทุกอย่าง แม้ว่าจะมาบอกว่าเมื่อกี้สอนผิดก็เชื่อนะอนวิสัยชาวพุทนี่จะเป็นอย่างนี้นะคือว่าศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญานะและจะอ้างว่าเป็นผู้เจ้ามาบอกก็ไม่เชื่อนะเพราะว่ามันไม่ตรงกับความจริงนะอันนี้เป็นวิสัยชาวพุทธนะคือเป็นศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาไม่ใช่เชื่อแต่พึตะพื เพียงเพราะว่าท่านนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราพูดอะไรเราก็เชื่อหมดนะมีคราวนึ่งนะผู้เจ้าเนี่ยสนทนากับภาษาวก k e แล้วก็มีภาษาลิบุตรอยู่ด้วยผู้เจ้าก็ตัดถามภาษาลิบุตรว่าเชื่อไหมว่าคนที่มีอนะินรีย์ห้าหากทําให้มากนะก็จะบรรลุมรรคผลได้ภาษาริบุตรตอบว่าไม่เชื่อ แล้วก็ให้เหตุผลว่าผู้นั้นเนี่ยจะต้องนะบาเพ็ญวิปัสสนานะจึงจะบรรลุมรรคผลตราบใดที่ยังไม่บำเพ็ญวิปัสสนาะหรือทำพรปัญญาให้แจ้งเนี่ยนะก็จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้พระลูกอื่นเนี่ยก็ได้ยินฉชนั้นก็ต่อว่านะพระสารีบุตรนะว่าว่ า, เ, าเป็นผู้ที่นะ ขัดขืนนะปฏิเสธนะไม่ฟังคำสอนพูะเจ้ากล้าที่จ ะ, ะปฏิเสธกล้าที่จะไม่เชื่อพูะเจ้าแต่พระเจ้าเนี่ยพอได้ทราบอยู่นั้นก็เลยกล่าวว่านะที่พระาตรปิฎพูดนี่ถูกแล้วนะสารเสริญพระไตรปตฎว่าพูดถูกแล้วนะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆ ธรรมดาของพระอรหันต์หรือพอระยบุคคลนี่นะท่านมีศรัทธาก็จริงนะแต่เป็นศรัทธาที่ประกอบไปได้วยปัญญาและยิ่งมีปัญญามากเท่าไหร่เนี่ยให้ความเชื่อโดยไม่เห็นโดยไม่รู้ก็จะน้อยลงแต่ถ้าคนที่ศรัทธาไม่ถูกนะก็เชื่อแต่พึทงเือนะไม่ได้เห็นด้วยด้วยตัวเองก็อาจจะหลงผิดได้ อันนี้คือศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาซึ่งมันจะช่วยทำให้ไม่เกิดศรัทธาที่หลงผิดนะคือศรัทธาแบบงมงายที่จริงศรัทธาที่มันหลงผิดยังมีแบบหนึ่งนะอรตมาเรียกว่าศรัทธาที่สนองตัวกูนะอันนี้มันตรงข้ามกับศรัทธาแบบงมงายศรัทธาแบบงมงายนี่เรียกว่ามอบกายถวายชีวิตให้กับผู้ที่งเงศรัทธาก็จะพาไปไหนนะ จะพาไปนรกหรือพาไปตายก็ไปนะส่วนศรัทธาประเภทหนึ่งเนี่ยคือเป็นศรัทธาที่มีตัวกูเป็นศูนย์กลางนะหมายความว่าที่ศรัทธาท่านนี้เพราะว่าผู้ถูกใจเราหรือผู้ถูกใจกูหรือสนองกิเลส ข, ของกูนะถ้าหากว่าตาใดที่ยังทำอะไรถูกใจเราเราก็ยังศรัทธาอยู่เราก็ยัง รักเคารพอยู่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดไม่ถูกใจกูนะหรือว่าทำอะไรไม่ถูกใจกูหรือว่ากระทบตัวกูนี่ก็ะจะก็ะจะโกรธนะอันนี้ก็มีอยู่นะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยนะพระตรนะจะมีอ่จะบำเพ็ญนะ แต่เป็ น, ปนทำจะลิกเล่นไปในที่ไกลนะก็จะล า, าเพื่อนศาสรธรรมิกตามธรรมเนียมเนี่ยนะพระทั้งหลายท่านก็มารอนะมายืนเพื่ออําลาเป็นแถวเรียงยาวพระสารบุตรท่านก็เป็นคนที่มีมารยาทนะท่านก็จะทักทายทุกคนถามชื่อถามาโคตรหรือถาม วงตระกูลต่างๆเนี่ยก็ถามทุกคนเลยแต่มีคนหนึ่งที่ท่านไม่ได้ไม่ได้ถามไม่ได้ทักเพราะคนเยอะมากพระรูปนั้นเนี่ยพอเห็นพระไตรลุรเดินผ่านนะโดยไม่ที่ไม่ทักไม่ทายเนี่ยก็โกรธเลยนะโกรธเลยว่าทําไมพระไตรลุดเนี่ยมองข้ามเราแล้วก็เลยหาเรื่องนะใส่ร้ายพระไตรลุดเพินช่วงนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ย ชายจีวาพระไศรพุตรเนี่ ย, ยไปโดนไปถูกตัวภาพรูปนี้ภาพรูปนี้ก็เลยถือเหตุนะฟ้องพุทเจ้าว่าพระไศรพุทธทำลายขนาดนี้เลยนะจากคนที่ศรัทธานะเปลี่ยนกายเป็นโกรธเก ล, เลียดได้อย่างไรนะอันนี้ก็เพราะว่าเป็นศรัทธาที่มันมีตัวกูเป็นที่ตั้งนะจะยังเคารพจยังศรัทธาถ้าหากว่า นะเขาหรือคนผู้นั้นเนี่ยนะทำอะไรที่ถูกใจเราเช่นอาจจะสอนถูกใจเรานะหรือว่าให้ความสาคัญกับตัวเราถ้าเมื่อใดก็ตามที่แม้ความสาคัญกับตัวเราเมื่อไรเนี่ยนะก็จะเกลียดทันทีนะคนที่ศรัทธาแบบนี้ก็มีเยอะนะศรัทธาครูบาอาจารย์นะแต่พอครูบาอาจารย์ตาหนิหรือว่าต่อว่าก็โกรธเลยนะ จากโกรธเป็นเกลียดนะบางทีครูบาอาจารย์ไม่ทักไม่ทายนี่ก็กลายเป็นเกลียดไปเลยนะอาตมาก็เคยเจอนะโยมบางคนนี่มาที่วัดอาตมาทักทายหลายคนนะแต่ว่ามีคนหนึ่งนะไม่ได้ทักทายก็โกรธมากนะแล้วก็ตัหลังกลับไปบ้านก็ไปบอกลูกหลานว่าต่อไปไม่มาวัดนี้แล้วนะเพราะว่าเจ้าพาไม่ทักทายนะ อันนี้ก็มีอยู่นะครูบาอาจารย์ต่อว่านะหรือว่าไม่ให้ความสําคัญก็เปลี่ยนจากศรัทธากลายเป็นความไม่พอใจนะหรือไม่ก็อาจจะทําให้ถูกใจเช่นเคยนับถือครูบาอาจารย์ท่านนี้แล้ววันเดคืนดีท่านสืหร า, าเพศไปโมโกโรธมากเลยนะอันนี้เราก็เห็นอยู่นะอันนี้เป็นศรัทธาที่เรียกว่าเอาตัวกรูเป็นศูนย์กลาง แตกต่ตตตตางกัศรัทธาไปเพ่งงมงายนะไปะเพ่งงมงายเนี่ยเอาบุคคลเป็นศูนย์กลางนะจนกระทั่งไม่สนใจเรื่องผิดชอบชั่วดีไม่สนใจเรื่องเหตุเรื่องผลไม่สนใจเรื่องความถูกต้องนะเขาจะพูดอะไรเขาจะสั่งอะไรเขาจะพาให้สั่งให้เราไปตายก็ไปนะเรียกว่าตัวกูมันกลืนหายไปกับบุคคลผู้นั้นแต่ ส, สถาพยสองเนี่ยนะมันมีตัวกูนะ ตราที่ตัวกุญยังได้รับการตอบสนองนะก็ยังนับถืออยู่แต่ว่าศรัทธาวบนนี้มันก็พาไปสู่ความงม ง, งายได้นะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ตรวงศรัทธานับถือเป็นครูบาจารย์เนี่ยนะเขาสนองกิเลสนะเข า, เ, าเขาอาจะมีมีเครื่องรางของขลังนะที่สนองความลวภของเราหรือเขาให้คำมั่นสัญญาว่า ถ้าเคารพเขานับถือเขาเนี่ยจะร่ำรวยนะจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็จะหลงเชื่อหัวปากหัวป่มนะจะสั่งให้ทำอะไรก็ทำนะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าทำแล้วเนี่ยนะจะได้รับประโยชน์อันนี้ก็เห็นอยู่นะโดยเพราะบางทีก็เป็นพระเนี่ยที่เป็นพวกมันก็นทำตัวเป็นผู้พิเศษนะ ทานทั้งที่หลอกนะจริงๆไม่มีอะไรเนี่ยหลอกว่าตัวเองนี่เป็นพระอรหันต์เป็นผู้พิเศษคนก็หลงเชื่อนะเขาทำตัวยังไงไม่ถูกต้องก็เออยอมปล่อยหรือเขาจะหลอกให้ไปไหนก็ไปเขาจะหลอกเอาเงินนะเป็นล้านสิบล้านก็ยอมนะโดยไม่ได้ใช้ปัญญาไต่ตรองอันนี้มันก็มือทีมก็เวี่ยงไปเวียงกันมานะศรัทธาแบบงมงายกับศรัทธาแบบสนองตัวกูเนี่ย บางทีมันก็เอเื้อเฟือเกื้ อ, ก, อกูลกันนะแต่นั้นก็ไม่ใช่ศรัทธาที่ถูกต้องนะศรัทธาถูกต้องเนี่ยต้องประกอบไปด้วยปัญญาไม่ใช่ผูกติดกับตัวบุคคลนะแมบุคคลผู้นั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ยังฝากนะศรัาทธาไว้กับผู้นั้นไม่ได้นะในภาษาสุดท้ายเนี่ยนะเราคงทราบวิริพุทธเจ้าเนี่ยนะทรงประชวนนะอาพาธนะ มีครั้งหนึ่งก็อาพาธหนักเลยนะแต่ว่าพระองค์ก็สามารถจะใช้ธรรมะเนี่ยนะสะกดเวทนานะแล้วก็กลับมาเป็นปกติพระอนนท์เนี่ยนะดูแลอุปถาพุทธเจ้าตลอดนะพอเห็นพุทธเจ้าเนี่ยนะมีอาการดีขึ้นก็ก็มาเล่าให้พุทธเจ้าฟังว่าเนี่ยตอนที่พระองค์เนี่ยนะอาพาธหนักนี่นะตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยนะ ถึงขั้นหน้ามืดเลยนะหน้ามืดเศร้าโศกเสียใจนะนึกอะไรไม่ออกเลยแต่ว่าพอพระองค์เนี่ยนะกลับมามีอาการดีขึ้นก็ดีใจนะโล่งอกนะแล้วก็ยิ่งดีใจที่พูะเจ้านี่ก็ยังไม่ได้ปรงพระชนมายุสังขารยังไม่ได้ตาวัาปริริยพานธ์พูเจ้าได้ยินเชนั้นก็เลยตัดกรพร้านนนว่านะพูดไปรวมๆเลยนะว่าไนะ พิสูจทั้งหลายเนี่ยจะหวังอะไรจากเราอีกนะที่ผ่านมานี่เราก็แสดงธรรมโดยไม่เปิดโดยไม่ปิดบงังไม่เก็บงำนะเหมือนกับหงายขวัญอ่าขันที่คว่ำเนี่ยนะให้หงายออกนะไม่มีอะไรปิดบงังไม่มีอะไรอัมพางแล้วนะจะหวังพึ่งอะไรเราตอนนี้เราก็อายุ80ิบแล้วนะเหมือนกับเกวียนเก่าแก่นะที่ค่ําคล่านะนะที่ยังเคลื่อนไหวยัง ยังยังไปได้นี่ก็เพราะมีการแซนมีการขัดด้ยไม้ไผ่เอาไว้นะแล้วก็เลยตรัสว่าเนี่ยนะอย่าหวังพึ่งพระองค์นะให้เอามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะนะแล้วพระองค์ก็บายต่อไปว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งก็คือว่ามีธรรมะนะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่ง แล้วก็แจกแจงนะว่าก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่นะให้รู้กายให้รู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมพิจารณากายนะพิจารณาเวทนาพิจารณาธรรมนะพิจารณาจิตพิจารณาจิตพิจารณาธรรมอันนี้แหละนะ่า จ, จะมีเรียกว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งได้ก็คือสอนให้นะมาถันมาปฏิบัติธรรมนะไม่ต้องฝาก ความหวังหรือฝากศรัทธาไว้กับตัวบุคคลนะให้มีตนนี่แหละเป็นที่พึ่งให้ได้คาว่านะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยนะความหมา ย, ยาจริงก็คืออันนี้แหละนะก็คือว่าปฏิบัติตนกระทั่งนะเห็นแจ้งในธรรมนะจึงจะเรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงก็คือเข้าถึงธรรมนั่นเองอันนี้ขณะผู้เจ้านะ พระองค์ก็ยังบอกว่าอย่าไปาอย่ามาศรัทธาอย่ามาหวังอะไรกับพระองค์นะนาชาวพุทธเราเนี่ยนะเวลาเราศรัทธาแม้จะถือเอาพระพุทธเจ้าอระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าไปไปพึ่งพาในอํานาจนะในอนุภาพนะของพระองค์บางคนเนี่ยศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ถือเอาพรเจ้าเป็นสารณะนะแต่ว่าถือเอาแบบนะต้องการให้พระองค์เนียมาสนองกิเลส ข, ของตัวนะหรือว่าศรัทธานับถือพรเจ้าเป็นสารณะแบบมีอวิชชานะคืองมงายไปให้ความสำคัญกับตัวบุคคลมากพระองค์เนียใครที่นับ นับ ถ, ถือรัศธาพระองค์แบบตัวบุคคลนี่พระองค์ก็ตําหนินะอย่างพระวักกะลิเนี่ยนะรองค์ไปไหนก็พระวักกะลิก็เดินตามนะเพราะว่าศรัทธาในตัวพระองค์มากนะปฏิบัติธรรมไม่สนใจเลยพระองค์สอนยังไงก็ไม่สนใจนะสนใจแต่กายเนื้อกายอยากหเห็นพระองค์เสด็จไปไหนก็เดินตามจนกระทั่งพระองค์ตําหนิเลยนะว่าเนี่ยอันนี้เรียกว่านะตาบใดาที่ยังไม่เห็นธรรมเนี่ย ก็ยังอยู่ไกลาจากพระองค์แม้จะว่าสัมผัสตัวหรือว่าจับใจจับชายจีวันก็ตามไอ้ตัวบุคคลเนี่ยนะซึ่งมันประกอบไปด้วยกายเนื้อเนี่ยมันไม่อาจจะเป็นที่พึ่งที่หวังได้นะเพราะว่าต้องแก่ชาราไปในที่สุดนะแล้วก็เสื่อมดับแตกดับไปนะนนถ้าศรัทธาหรือมีผู้เจ้าเป็นสรณะเนี่ยคือการเห็นธรรม เห็นธรรมที่พระองค์แสดงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระวักกะลีว่าเนี่ยผู้ใดนะเห็นธรรมเนี่ยผู้นั้นจึงจะเห็นเราตถาคตนะไม่ใช่เห็นกายเนื้อเห็นกายเนื้อแต่ว่าไม่เห็นธรรมเนี่ยก็เรียกว่าไม่เห็นพระองค์แล้วก็ไม่ใช่เป็นศรัทธาที่แท้จริงแล้วพวกเราเนี่ยนับถือผู้เจ้าเป็นสารณะนะก็ต้องนับถือให้เป็นถือให้ถูกนะไม่ได้หวังพึ่ง อ, อิทธิปฏิหารหรืออนุภาพจากพระองค์หลายคนก็ยังเชื่อนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้เสด็จปรปนิพพานานานไปแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะอำนวยอวยผลนะให้กับตนเองได้ถ้าหากว่าทำบุญเยอะๆมีศรัทธามากๆหล่อพระหล่อพระพทรูปนะไม่สนใจว่าพระองค์สอนอะไรอันนั้นไม่ใช่เป็นศรัทธาที่ถูกต้อง การมีพระรัตนตายเป็นสาระเนี่ยนะต้องปฏิบัติให้ถูกนะก็คือนับถือเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะจิตใจสูงขึ้นนะกิเลสน้อยลงความเห็นแก่ตัวน้อยลงอวิชชานะน้อยลงการนับถือเนี่ยนับถือเพื่อยกจิตของเราให้สูงขึ้นนะไม่ใช่นับถือแบบยึดติดแล้วก็ดึงให้ พระัตนตรัยต่ําลงนะมันมีสองอย่างนะการยึดถือหรือว่าการนับถือเนี่ยนับถือแล้วจิตใจเราสูงขึ้นเพราะว่าท่านเป็นของสูงนะยิ่งเรานับถือเนี่ยนะกายวาจาใจของเราก็งดงามนะโดยพรากิเลส ก, ก็เบาบางอันนี้เราว่านับถือแล้วจิตใจสูงขึ้นแต่นับถือไม่ถูกเนี่ยทําให้พระรัตนาตัยเนี่ยถูกฉุดลงมาต่ําลงนะ มาสนองกิเลส ข, ของเรานะอย่่งนี้เราก็เห็นนะว่าการนับถือของชาวพุทธเนี่ยจำนวนมากเลยนะทำให้พระรัตนตรัยต่ำลงนะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่นะผู้พิเศษนะที่จะมาสนองกิเลสของเราเจอพระเรูปเนี่ยแทนที่จะทำให้จิตใจมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัตินะกลับนึกแต่ว่า เพราูปนี่จะบอกหวยนะหรือว่าจะให้เลขอะไรกับเราบ้างนะอันนี้ก็กลายเป็นว่าพระโพธิรูปกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปนะเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่สนองกิเลสของเรานะแต่ไม่ใช่เป็นตัวแทนแห่งธรรมะนะที่จะทําให้จิตใจเราสูงขึ้นเรื่อ ย, ย่งน้อยเนี่ยสงบนะจากกิเลสหายเลาร้อนเพราะความทุกข์นะ ถามใจเราเองนะเวลาเราศรัทธาในพระตนัตไตรเนี่ยนะเราเห็นธรรมมากขึ้นไหมธรรมะในใจเราสูงขึ้นไหมนะเราก็สอนอยู่บ่อยๆนะนะบทที่เรียกว่านะอริยธนคขาเนี่ยนะผู้ใดนะมีศรัทธาในพระตนัตไตรเนะี่ยถือเอาพอระพุทธธรรมพระสงค์เป็นสารณะนะนะก็ต้องเห็น อริยสัจสี่นะคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคศรัทธานในพระรัตนาตายแล้วเนี่ยนะแต่ว่ายังไม่เข้าใจอริยสัจสีเลยนะซึ่งเป็นธรรม ท, ที่ถือว่าเป็นหัวใจอพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่ได้มีพระรัตนตัยเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงนะคนกลุ่มนี้แล้วก็จะยังเอาเอาอย่างอื่นเป็นสารณะแทนแม่ปากจะบอกว่ามีพระรัตนาตายเป็นสารณะ แต่ว่าจิตใจเนี่ยอาจจะเอาถือเอาเงินเป็นสารณะหรือว่าเอาภูเขาเอาป่าไม้เอาเจดีย์นะเอาของแปลกๆเป็นสารณะก็ได้ถ้าทำขวามเข้าใจดีเรื่องการมีพระตนตรัยเป็นที่พึ่งนะมีพระตนตรัยเป็นสารณะหรือว่าตัวสอบศรัทธาของเรานะว่าศรัทธาของเราเป็นแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นศรัทธาในพระรัตนตรัยหรือศรัทธาในครูบาอาจารย์เป็นศรัทธาแบบงมงายหรือว่าเป็นศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาเป็นศรัทธาที่มุ่งสนองตัวกูนะหรือว่าเอาธรรมะเป็นใหญ่ดังนั้นะถ้าเราศรัทธาเนี่ยถูกต้องเนี่ยนะศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นศรัทธาที่กระตุ้นให้เราทําความเพียรมุ่งลดละ ก, กิเลสอันนั้นนะก็จะเป็นศรัทธาที่ทํำให้ ชีวิตจิตใจเราเจริญงอกงามแล้วก็เป็นการระดุงนะเชิดชูพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงเอาละชาติยุคปัจจุบั น, นนี้กราบพระ